สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทักกรคุณชอบเล่าคลิปนี้เรา ม, มาฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกกันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของท่านสมาชิกที่ใช้นามว่านักออกแบบก่อนนะครับเรามาฟังกันว่าเรื่องราวของนักออกแบบจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าไม่ย้อนการเวลากลับไปเกือบ10ปีก่อนนั้นขณะนั้นตัวผมกําลังปเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งผมมีแฟนแฟนของผมในเวลานั้นก็คือภรรยาคนปัจจุบันของผมนี่แหละ โดยปกติแล้วผมจะใช้ช่วงเวลาหลังจากที่เขียนรูปสีน้ํามันเสร็จทุกวันโทรคุยกับแฟนทุกคืนเพราะว่าบ้านของเรานั้นอยู่ต่างที่กันตัวผมตอนนั้นอยู่ที่ปทุมแฟนผมอยู่ที่เกาะเกรด็ดจริงๆก็อินเลิฟนั่นแหละและตัวผมเองก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านของเธอบ้างบ า, บางครั้ ง, บา ง, งบางคราวลักษณะของบ้านแฟนผมที่เกาะเกรดนั้นดูออกจะเก่าแก่แฟนผมเคยเล่าให้ฟังว่าลุงเขาซื้อบ้านเก่ามาปรับปรุงใหม่ซ้ภายในยังมีรูปของเจ้าของบ้านเดิมติดอยู่เลย เจ้าของใบหน้าในรูปเป็นคนสมัยก่อนไว้ทรงผมแบบคนโบราณตัวของบ้านนั้นไม่ได้มีการทุบใหม่เพียงแต่เสริมเครื่องล่างใหม่แต่เสาบ้านไม้ชั้นสองอยังเหมือนเดิมพื้นที่ชั้นบนจะมีลักษณะทางเป็นตัวแอลสุดทางจะเป็นห้องน้ําและตั้งหิ้งพระอยู่ตรงมุมตัวแอณเวลานั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านจะมีกันอยู่แค่สองคนคือแม่และลูกเท่านั้นเพราะว่าลุงก็ได้ย้ายไปซื้อบ้านอยู่ที่อื่นแล้วนี่คือลักษณะของบ้านแฟนผมแบบคร่าวๆ ทีนี้กลับมาที่เรื่องที่ผมโทรคุยกับแฟนทุกคืนบางคืนเราก็คุยกันดึกมากก็ทําทไงได้คนมันอินเลิฟจนมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นช่วงวันหยุดวันนั้นผมรู้สึกมีอารมณ์ประสิทิและปินมากมากจริงๆถึงขนาดว่าติมมาวาดรูปตั้งแต่เช้าด้วยอารมณ์ของศิลปินทําให้ผมลืมติดต่อกับแฟนไปเลยมันนึกขึ้นได้อีกทีกระทุ่มหนึ่งแล้วมันช่างเพลิดเพลินจริงๆกับการเขียนรูปสีน้ําต่างๆผมก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือในตํานานขึ้นมา นั่นก็คือ3310ซึ่งสมัยนั้นยังมีใช้กันจากนั้นก็รีบกดเบอร์โทรเข้ามือถือแฟนโทรปุ๊บติดปับ๊บสัญญาณดีจริงๆสายก็ว่างด้วยฟังเสียงตูดตูดรอสายอยู่ตั้งนานแฟนก็ไม่รับสักทีระหว่างที่รอสายก็เขียนรูปรอไปพลางๆแล้วสายก็ตัดไปผมจำได้ว่าวันนั้นโทรกลับไปเกือบ20ิบรอบโทรแล้วโทรเล่าก็ไม่รับสักทีจนเริ่มโมโหไม่มีอารมณ์โมโหเกิดขึ้นอารมณ์ศิลปินก็หายไป ไม่ต้องวาดมันแล้วรูปเริ่มนึกคนเดียวอยู่ในใจเอ๊ะแฟนผมหายไปไหนทําไมไม่รับโทรศัพท์เกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ไหนทําอะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงแต่ก็มีวิธีอย่างนี้ต้องโทรไปเบอร์บ้านเมื่อนึกขึ้นได้ผมก็เลื่อนหาเบอร์บ้านโทรทันทีแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครรับโทรแล้วก็โทรอีกเป็น10บสิบรอบกะดูเวลาก็น่าจะโทรมาเป็นชั่วโมงแล้วเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่มีคนรับสายหรือว่าไม่อยู่บ้านกัน แล้ทำไมโทรศัพท์มือถือมีไว้ทำไมทำไมไม่รับเอาแล้วไงความวิตกก็เริ่มเข้ามาครอบงำคิดไปคิดมาเริ่มกังวลที่บ้านแฟนจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเขาไปไหนกันจริงๆระหว่างที่กําลังวิตกกังวลฟุ้งซ่านอยู่นั้นก็ยังโทรไปเรื่อยไม่ลดละแล้วจู่ๆกแรกร์สิ่งคนรับโทรศัพท์ก็ดังขึ้นที่ปลายสายความรู้สึกโล่งอกบังเกิดขึ้นเออมีคนรับสักทีจังหวะที่ผมกําลังจะอ้าปากพูดออกไปว่าฮัลโหลสวัสดีครับ ปลายเสียงอีกฝั่งกลับหัวเราอกลับมาเสียงแหลมมากจะเป็นผู้หญิงก็ไม่แน่ใจความรู้สึกแรกผมตกใจมากเอ๊ะเราโทรผิดบ้านหรือเปล่าหรือว่ากดผิดเบอร์ก้มมองดูที่จอมือถือมันก็ถูกต้องนี่นาะก็นี่มันเบอร์บ้านนี่ผมก็เลยกลั้นใจถามอีกทีฮัลโหลครับเอ๊ะนี่ใช่บ้านของใช่บ้านของน้องหรือเปล่าครับนามนี้เป็นนามสมมตินะครับ เพราะว่าไม่สะดวกกับการเปิดเผยชื่อภรรยาพอบทอธอบอกำชับไว้โอ้อบออบธอบ ก, ก็คือผู้บังคับปัญชาที่บ้านนะครับเข้าเรื่องกันต่อและเมื่อสิ้นเสียงที่ผมถามไปใช่ค่ะมีอะไรหรอเออตอนนั้นผมคิดว่าคงถูกบ้านแล้วแต่เอ๊ะใครนะเจ้าของเสียงนี้ไม่ใช่แฟนผม หรือว่าเธอกำลังจะแกล้งผมแต่ระหว่างที่ผมคิดผมก็ได้ยินเสียงแฟนผมลอยมาจากปลายสายเป็นสิ่งที่แววมาจากไกลๆจับใจความได้ว่าแฟนผมกำลังทะเลาะกับแม่ของเธอเรื่องผ้าที่แช่ไว้ในห้องน้ำเสียงถึงคู่กับแม่ลูกเหมือนอยู่ไกลจากโทรศัพท์ทําให้ผมแน่ใจว่าไม่ผิดบ้านแน่ๆและคนที่รับสายก็ไม่ใช่แฟนผมแน่นอนผมจึงได้ถามเขาว่าขอโทษนะครับแฟนผมอยู่ไหมครับขอคุยได้ไหมครับแต่คําตอบที่ได้ เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮน้องไม่ว่างหรอกยุ่งอยู่ปลายสายเดี๋ยวพูดเดี๋ก็หัวเราะตอนนั้นผมมีความรำคาญมากคิดว่าจะพูดกันดีๆไม่ได้เหรอเป็นอะไรนักหนาหัวเราะ อ, อยู่นั่นแหละแล้วก็มีความสงสัยนักขึ้นไปอีกว่าปลายสายนี้เป็นสิ่งของใครผมจึงได้ถามไปอีก แฟนผมไม่ว่างเหรอแต่ผมได้ยินเสียงอยู่นะรบกุนขอสายเขาได้ไหมครับและและนี่ใครรับสายครับผมกำลังพูดอยู่กับใครแล้วก็เหมือนเดิมฮ <c oughs> อยากรู้จริงๆเหรอว <c oughs> ่านี่เสียงใคร <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยก็รู้เองตอนนั้นอารมณ์ผมพรุ่งพล่านขึ้นมาแล้วคือกันดีๆไม่เป็นคุยไปหัวเราะไปผมจึงได้ถามเขาอีกทีว่าแฟนผมทําอะไรไปไหนไม่แม่มารับสายเรียกให้หน่อยใจผมคิดว่าเดี๋ยวแฟนผมมารับจะได้ถามว่าใครเป็นคนรับสายคุยกับผมเผื่อว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของแฟนถ้าเป็นพวกเด็กๆจะได้ด่าถูกตัวแล้วปลายสายก็ตอบผมกลับมา บอกไปแล้วว่าเขาไม่ว่างเขาอาบน้าอยู่ไงแล้วสายก็ตัดไปในทันทีอะไรกันนี่ผมหัวร้อนขึ้นมาเลยกว่าจะโทรติดพอมีคนรับก็คุยกันไม่รู้เรื่องแถมยังตัดสายโกรธมากโกรธจริงจิงจึงได้พยายามโทรกลับไปอีกหลายสิบรอบโทรแล้วโทรเล่าไม่มีใครรับสลับทั้งเบอร์บ้านกับเบอร์มือถือ กระทั่งความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและแฟนผมก็รับโทรศัพท์ด้วยอารมณ์โกรธเป็นที่ตั้งผมเลยบอกเธอไปว่าฮัลโหลแกนี่ไม่กล้า ร, รับโทรศัพท์กันเลยหรือไงรู้ไหมเป็นห่วงเหรอรู้ไหมโทรหาเป็นชาติแล้วไม่รับสักทีแล้วก็อีกมากมายผมต่อว่าเธอไปเยอะมากเธอก็ได้แต่ฟังแล้วก็งงไม่มีโอกาสตอบโต้เธอบอกว่าวันนี้เธอไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือเลยผมเลยให้เธอดูที่มือถือว่ามีกี่มิสคอเมื่อเธอดูเธอก็ได้เห็นว่าน่าจะร า, ราวสีาสิบมิสคอ เธอตกใจพร้อมก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วเธอเองก็เปิดเสียงเครื่องไว้ผมก็เลยบอกเธอว่าเบอร์บ้านก็ประพอกันโทรตั้งนานไม่มีใครรับรอนานมากกว่าจะมีคนรับสายแฟนผมได้ฟังก็ตกใจมากเธอบอกว่าโทรศัพท์ที่บ้านก็ไม่มีดังสักสายแล้วก็ถามว่าผมโทรผิดหรือเปล่าเสียงแฟนเหมือนจะไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดผมก็เลยบอกเธอว่าจะผิดไปได้ยังไงเมื่อกี้เธอทะเลาะกับแม่เรื่องแชร์ผ้ า, าในห้องน้ําแลยไม่ซักสักทีใช่ไหมแฟนผมตกใจมากแล้วก็ถามว่าแกรู้ได้ยังไงว่าฉันถีงกับแม่เรื่องอะไร ผมก็บอกว่าเมื่อกี้มีคนรับสายเสิ่งของแกกับแม่ก็เลยรอดเข้ามาดังนั้นโทรไม่ผิดบ้านแน่นอนแฟนผมก็บอกว่าเขาอยู่กันแค่2คนนะกับแม่จะมีคนที่3มได้ยังไงใครมารับสายผมก็คิดว่าแฟนผมน่าจะแถ re, อาจจะมีญาติพี่น้องเขามาพักกันที่บ้านแล้วก็รับสายแกล้งผมผมจึงได้ขอดูเบอร์น้องเพื่อจะโทรไปยืนยันเพราะแฟนผมบอกว่าตอนนี้น้องอยู่โรงเรียนซ้อมดนตรียางอยู่ได้เบอร์ก็รีบโทรไปหาน้องแฟนทันทีตุงตุง ตุงตุ่งตุ่งตุ่งตุตุ่ ง, ง, ง, ง, งสิ่งดังมากกับบางตีกรองดุรยางกันอยู่ผมก็อึ้องไปแล้วก็วางสายเพราะว่ามันชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ได้มาที่บ้านผมก็โทรกลับไป ห, หาแฟนอีกครั้งนึงถามว่าเมื่อกี้แกกํบบาลังทําอะไรอยู่เพื่อจะดูว่าตรงกันไหมกับที่ได้ยินมาแฟนผมก็ตอบว่าเมื่อกี้ฉันกํบบาลังอาบน้ําอยู่ผมอึ้องเลยพร้อมเล่าเรื่องที่เจอให้แฟนฟังทันทีเธอได้ฟังก็บอกว่ากลัวมากก็เถออยู่กันแค่สองคนกับแม่จริงๆแล้วก็ชัดเจนมากว่าผมไม่ได้โทรผิด เระสียงทะเลาะกันของแฟนกับแม่มันดังชัดมากซึ่งโทรศัพท์บ้านเองก็ไม่ได้อยู่ไกลจากห้อง้ํามากเหมือนกันผ ม, มรีบถามแฟนทันทีว่าที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าด้วยว่าผมมั่นใจว่าผมน่าจะเจอแล้วแฟนก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วอยู่ๆเธอก็นึกออกพร้อมกับพูดออกมาว่าบ้านฉันมีนางไม้มีรูปบูชานางไม้กับเสาตกน้ํามันอยู่ตรงหิ้งพระผมอึ้งอีกครั้งแล้วก็ถามว่าโทรศัพท์บ้านแกวางไว้ตรงไหนเธอก็บอกว่ามันวางอยู่ข้างๆหิ้งพระ ชัดเลยในความคิดผมเสียงปริศนานั้นทุกวันนี้ยังตราตรึงอยู่ในส่วนประสาทหูผมยังคงจำได้แม่นยำ้ำแล้วก็ยังจำได้ว่าคำพูดของนางไม้ที่บอกกับผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็รู้เองซึ่งเหมือนเป็นคำต้อนรับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้แต่งงานกับแฟนแล้วก็ย้ายไม่อยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันและตอนนี้ก็เข้าปีที่6แล้วแฟนผมบอกว่าไม่เคยมีใครเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนผมไม่แปลกใจอาจเพราะเขาอาจจะอยากรู้จักผม เมือนจะรู้ว่าอนาคตผมต้องมาอยู่ที่นี่แน่นอนและนี่ก็คือหนึ่งในะเรื่องราวแปลกๆของบ้านหลังนี้ก็ขอขอบคุณคุณนักออกแบบนะครับที่ได้ ก, กรุณาแชร์เรื่องราวมาให้ผมได้ถ่ายทอดแล้วเราก็ไปกันต่อที่คุณไซมอนพลัดกันดีกว่าครับซึ่งเรื่องนี้คุณไซมอนก็ขอตั้งสติก่อนนิดนึงก่อนที่จะถ่ายทอดเอาละ่ะพร้อมแล้วนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเวลาที่ผมนึกถึงมันขึ้นมาได้ทีไรก็อยากจะลืมมันแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมจริงๆ ตัวผมเองเพิ่งจะแต่งงานเมื่อเดือนมิถุนายนปี59นี้เองเรื่องราวก็มีอยู่ว่าผมได้ไปเยี่ยมภรรยาที่ตั้งท้องอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายที่บุญทริกเมื่อเดินทางไปถึงก็ได้เจอกับญาติพี่น้องของภรรยาและคนแถวๆนั้นพวกเขาชอบพูดจาถักถางคนไทยต้องขออธิบายนิดหนึ่งนะครับคนไทยนี่หมายถึงคนภาคกลางคนอีสานมักจะเรียกคนภาคกลางว่าคนไทย มาบอกว่าคนไทยหน้าตาก็หล่อเหลาจะทําอะไรเป็นบ้างหาอยู่หากินเป็นไหมแล้วก็จะอยู่ที่นี่ได้ไหมผมก็เลยสวนกลับไปว่าจะให้ผมทําอะไรพวกเขาก็หัวเราะถามว่ายิงปืนล่าสัตว์นเป็นไหมผมก็เงียบที่จริงแล้วผมนี่แหละถือว่าเป็นขาลุยเลยลุยมาเยอะถือว่าเป็นงานอดิเรกแต่เราเป็นคนต่างที่ก็เลยแกล้งว่าไม่เคยพวกเขาได้ฟังก็ใส่ผมใหญ่เลยถักถางโน่นนี่จนผมเกิดอารมณ์โมโหก็เลยสวนกลับไปแบบเน้นๆว่า เราไปวัดกันในป่าไหมแล้วก็ได้ความเลยเพราะวันต่อมาเวลา 5.00 โมงเย็นผมกับพวกชาวบ้านรวมกัน4ี่คนพากันเข้าป่าเมื่อเดินทางเข้าไปถึงทําเลที่เหมาะสมแล้วพวกเราก็แยกทีมกันทีมละ2คนแยกกันขึ้นนั่งห้างที่ทำห ย, ยาบๆอยู่กนละต้นไม้ในระยะใกล้กันตรงนั้นเป็นทางลงมาของแหล่งน้ำเขามั่นใจกันมากว่าตรงนี้ต้องมีอะไรออกมาให้แน่นอน พวกเขาทั้งสามคนใช้ปืนแก๊ปกันส่วนผมนั้นเขาให้ปืนสั้นจุดสาไว้ใช้แต่ก็ยังดีครับดีกว่าไม่มีเมื่อแยกกันนั่งแล้วก็ต่างคนต่างเงียบสัมผัสกับบรรยากาศในป่าและความมืดที่กำลังโอยตัวลงมาเสียงรีตรึงเรไรร้องเซ็งแซ่เสียงนกเืชยแจ้าลมเยน็ยนเย็นล่องลอยมาประทานหน้ายินสบายทุกคนยังคงนั่งกันเงียบต่อไปจนมานั่งเงียบกันไปจนถึงเวลาประมาณสองทุ่ม ตอนนี้มืดสนิทไปทั้งป่าแล้วเสียงทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบลงอย่าง ก, กะทันหันผมรู้แล้วจากประสบการณ์ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแน่หรือไม่ก็ต้องมีอะไรสักอย่างกําลังมาหาเราอย่างแน่นอนผมเตรียมปืนเตรียมลูกปืนให้พร้อมแบบใช้ถนัดมือที่สุดสอด ส, สายสายตาฝ่าว่ามืดออกไปแต่ถึงแม้ว่าจะรู้แล้วมันก็ยังตื่นเต้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายเงียบสงัดบรรยากาศช่างว่งเวงคนที่อยู่บนห้างด้วยกันก็ได้แต่งเงียบทําให้บรรยากาศรอบตัวยิ่งดูอึอดอัด และแล้วสิ่งที่ผมคิดมันก็เกิดขึ้นจริงเมื่อตาของผมได้มองไปเห็นลูกตาสีแดงกับร่างของสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่ในความมืดร่างที่มีตาแดงคู่นั้นกําลังค่อยๆกระโจนจากต้นไม้ต้นหนึ่งมาอีกต้นหนึ่งกระโจนตรงเข้ามาหาพวกผมเรื่อยๆมันคืออะไรแต่มันไม่มาดีแน่นอนผมก็เลยถามคนที่นั่งด้วยกันว่ามันคืออะไรเงียบคือคําตอบผมก็เลยไม่สนใจคิดว่าสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่พวกคนแถวนั้นทำมาแกล้งผมเล่นแน่ๆ จะเป็นอะไรสักอย่างเอามากแกล้งให้ผมกลัวแต่เมื่อผมยิ่งมองเพ่งไปกับสิ่งที่กำลังกระโจนเข้ามาด้วยสายตาที่ชินกับความมืดเมื่อยิ่งใกล้เข้ามาก็ยิ่งชัดเจ้าตาแดงที่กำลังกระโจนเข้ามามันไม่ใช่คนแน่ๆดูรูปร่างของมันคล้ายๆเด็กอายุ67ขวบมีผมงอกขาวและยาวกำลังกระโจนเข้ามาใกล้แบบไม่หยุดหยั่ยงใจผมเต้นไม่เป็นจังหวะเลยเบื่อแตกตื่นเต้นมีอาการเย็นวูบว่าเพลินร้อ น, อ น, ห, นหนาวไอคนที่นั่งอยู่ด้วยกันก็เงียบสนิท เมื่อการกระโจนยิ่งใกล้เข้ามาและอยู่ในระยะที่ว่าไม่ปลอดภัยแล้วผมก็ตัดสินใจลั่นไกออกไปสองนัดปังปังไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนตรงไหนมันหยุดนิ่งผมก็เลยตะโกนถามว่านี่มันตัวอะไรแต่ก็ไม่มีคําตอบใดๆตอบกลับมาทุกคนเงียบโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่ต้นเดียวกับผมนิ่งเงียบสนิทเมื่อไม่มีใครสนใจผมก็ยิงไปอีกนัดหนึ่งปังแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมันก็ยังนิ่งอยู่เฉยตาแดงคู่นั้นของมันยังคงจ้องมองเข้ามา ดูท่าทางกระสุนปืนจะใช้ไม่ได้ผลกับมันผมเลยยกมือไหว้ขอโทษพระแม่ธรณีหันปากกระบอกปืนลงจากห้างยิงลงดินนัดหนึ่งปังแล้วพูดว่าขณะพระแม่ธรณีลุกปืนยิงๆได้แล้วมึงเป็นใครทําไมลุกปืนถึงจะทําอะไรไม่ได้ทันใดนั้นเองเจ้าตัวตาแดงคู่นั้นจู่ๆมันก็กระโจนหนีไปทุกสิ่งทุกอย่างเงียบได้ยินแต่เสียงลมหายใจของตัวเองมไม่รอช้าผมรีบเอาไฟฉายส่องดูพักพวกที่มาด้วยกันก็ปรากฏมาถึงบางอ้อเลยว่าทาไมมันถึงเงียบ ทุกคนนั่งสลบไม่ได้สติสักคนเวลานั้นผมทําอะไรไม่ได้เลยก็ได้แต่นั่งไประแวงไปคนเดียวจนถึงเช้าแล้วเมื่อรุ่งอรุณมาถึงพวกที่หนอนไม่ได้สติก็ตื่นมาทีละคนเมื่อตื่นมาก็หล่นหลานร้องแหกปากอย่างเดียวผีผีซอยคอยแน่ผีพอตั้งสติกันได้ก็พากันกลับไปเล่าให้คนที่บ้านฟังผู้รู้เขาบอกว่าที่เห็นนั่นนะ่ะผีโป่งข้างไม่เป็นอะไรกันก็ดีแล้วแล้วทํายังไงถึงได้ปราบมันลงได้ ผมก็บอกไปว่าเปล่านะมันนีไปเองพวกเขาได้ฟังก็งงๆกันแล้วก็มีพี่คนนึงเป็นคนภาคกลางคนเพชรบูรณ์แกก็มาเป็นเคยที่นั่นบอกผมว่าสามคนที่ไปด้วยนั่นแนหะเขาไม่สช่พร้อนแต่ว่าพวกเขาเป็นคนพรานเมื่อก่อนตอนที่พี่มาอยู่ใหม่ๆก็โดนแข่อยู่ตลอดแต่พอเห็นเองมาเข้าก็เลยหันมาเล่นงานเองไงพวกนี้เดิมทีทจริงๆแล้วอะแค่เก็บเห็ดแล้วก็ยิงสัตว์อยู่รอดชายป่าแค่นั้นเองเรื่องราวที่ผมเจอมาก็จบเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอขอบคุณคุณใส่ม่อนพรัสนะครับที่ได้กรุณาแชร์เรื่องราวมาให้ท่านสมาชิกได้ฟังกันเอ๋ไปต่อกันอีกสักเรื่องดีกว่าครับเรื่องนี้จากท่านสมาชิกได้แนะนํามาเช่นกันโดยส่งเป็นรูปถ่ายของหนังสือมาให้ผมอ่านแต่มันก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่าผมหาโปรไฟล์ของท่านสมาชิกไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าจะขอบคุณท่านยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าหากว่าท่านสมาชิกที่ส่งเรื่องราวนี้มาให้ผมได้ถ่ายทอดได้ยินได้ฟังก็อย่าลืมติดต่อกลับที่หลังเครื่องฉายนะครับ จะขอบคุณมากครับเรื่องราวนี้ก็คือเรื่องเล่าจากราวไพรขอให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเรื่องก็คือพรานเช้าเป็นพรานล่านักหาของป่ามาตั้งแต่วัยหนุ่มแม้อายุจะป่าเข้าไป60ปีแล้วลุงเช้าก็ยังเข้าป่าล่าสัตว์และหาของป่าสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามเข้มงวดกวดขันในการล่าสัตว์โดยเฉพาะเสือโครง่ง ในป่าที่โกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ในเขตติดต่อกับพมา่าทั้งหนังทั้งกระโหลกเสือมีให้ผู้ต้องการอยเหลือเฟือโดยเฉพาะพวกเศรษฐีที่นิยมซื้อหนังสือโครงไปติดฝาผนังหรือเอาไปรองนั่งลุงชฉาเข้าป่าคนเดียวแกเคยบอกว่าไม่อยากให้ใครตามเข้าไปแม้แต่ลูกชายที่แสดงความต้องการจะสืบทอดอาชีพจากพ่อลุงเฉาก็ไม่เอาแกบอกว่าขอให้อาชีพนี้สิ้นสุดลงเมื่อแก่ตายแกว่าอาชีพพรานป่าเป็นบาป เราเข้าไปซุ่มหญิงสัตว์ที่มันไม่มีทางสู้แม้เสือจะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดสามารถย้อนรอยพรานได้แต่แกก็ไม่เคยเสียทีเสือลุงเช้าเผยสาเหตุที่แกแขวนปืนล่าสัตว์ให้ฟังว่าตอนนั้นลุงเช้าเคยเข้าไปนในเขตพมา่าโดยตามรอยเสือโคร่งตัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะผีกว่าเสือที่แกเคยล่าแกบอกว่าถ้าหากล่าได้เล่าก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมัมเพระบรรดาขุนหลวงคุณพระต่างให้ราคาแข่งกันจนหูดับ รอยเสือตัวนี้วกไปเวียนมาในป่ามาหายไปที่ชายป่าติดกับหมู่บ้านกระเลียงหมู่บ้านนี้แกรู้จักหมอผีในหมู่บ้านดีลุงเช้าเรียกแกติดปากว่าเท่ายามูเพราะเท่าเป็นหมอผีที่มีวิชาอาคมขลังเมื่อชาวบ้านถูกเสือกัดฆ่าไปกินเท่ายามูจะสามารถติดตามศพมาได้ทุกครั้งเพราะเท่ายามูปลูกบ้านเป็นเอกเทศนอกหมู่บ้านใครมีเรื่องเดือดร้อนสารพันจะออกจากหมู่บ้านมาหาพ่อเท่ายามูเพื่อให้ช่วยทำพิธีให้ แตมีข้อแม้ว่าเมื่อตะวันตกดินแล้วห้ามไปรบกวนแกที่บ้านจะเป็นจะ ต, ตายก็ให้รักษาเยียวยากันไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจึงไปหาแกที่บ้านแม้ว่าลุงเช้าเองก็ไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตให้อยู่ในบ้านของแกลุงเช้าเป็นพรานจึงผูกเปลนอนบนคบไม้ผลจ็กสัตว์ ร, ร้ายลุงเช้าออกตามรอยเสือที่แกตามมาพบว่ามีรอยเท้าเข้าออกอยู่รอบหมู่บ้านลุงเช้าไปถามคนในหมู่บ้านตามก็ยืนยันว่าได้ยินแต่เสือร้องในตอนดึก แต่ไม่เคยมีเสือตัวใหญ่เข้ามาแพ่วผ่านคนในหมู่บ้านเพียงแต่เห็นรอยเท้าเสือเท่านั้นส่วนเสือที่เข้ามาทำร้ายคนนั้นนานทีปีหนจะเข้ามาอารวาสแต่ไม่ว่าจะคาบคนไปไว้ที่ไหนเพราะเท่าอย่ามูจะติดตามหาศพมาได้ทุกครั้งทงั้งๆที่บางแห่งอยู่ในป่าลึกซับซ้อนที่หากจะเดินตามหากันต้องเสียเวลามากหรืออาจจะไม่พบเลยก็ได้เพราะเท่าอย่ามูแกบอกว่าเจ้าป่าเป็นผู้บอกเพราะแกะติดต่อกับผีทุกชนิดได้ชาวบ้านจึงไม่กลัวเสือที่มาถิ้งรอยไว้ เพราะเชื่อว่าเป็นพาหนะเจ้าป่าที่คอยคุ้มครองชาวบ้านลูกเชาตัดสินใจนั่งห้างดักหญิงเสือโดยทำทีเป็นเดินทางกลับจากหมู่บ้านเกรเรียงอัมลาพระเทวยาหมูลูกเชาไปทำห้างไม้ไผ่อยู่บนคบไม้เพื่อดักหญิงเสือในคืนเพนประมาณตีสองลูกช้ากำลังเครื่องหลับเครื่องตื่นพลันหูได้ยินเสียงเสือขบรามดังมาจากทาหมู่บ้านจากนั้นจึงอ้อมไปมาแกกระชับปืนในมือแน่นน้ำขางตกจากยอดไม้กระทบใบไม้ดังบปนฝนตก เสียงเสือวนกลับมาทางที่ลุงเช้านั่งห้างอยู่แสงจันทร์ส่งสกาวมองเห็นเสือลายพาดกรอนเดินเขามาลุงเชาเล่าว่าหากใครมาเล่าให้กูฟังกูจะไม่เชื่อเป็นเด็ดขาดเสือลายพาดกรอนตัวนี้แปลกที่สุดในโลกเว้ยเสือลายพาดกรอนตัวนี้ผิดกับเสือลายพาดกรอนทั่วไปเพราะมันมีตะกรุดร้อยเชื่อคล้องคอมาด้วยเสือป่าที่ไหนวะจะมีคนเลี้ยงกูลดนกปืนในมือของกูที่เล็งใส่เสือเพราะกูสังหรใจว่า หากกุลลั่นกระสุนออกไปอาจจะมีเรื่องที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นเสือเดินผ่านห้างของลุงเชาหายลับไปลุงเชาหลับไปจนรุ่งเช้าจึงลงจากห้างตามรอยเสือไปจนหายไปที่ชายป่าที่จะเข้าหมู่บ้านลุงเชาเดินไปที่บ้านของเท่ายามูท่ามกลางความประหลาดใจของเท่ายามูหลังจากที่รับประทานอาหารกับเท่ายามูแล้วลุงเชาจึงจู่โจมเข้าหาสิ่งที่คาใจถูกรุกจนไม่สามารถจะถอยไปได้ เท่ายามูจึงยอมรับว่าเสือตัวที่ลุงเฉาเห็นคือตัวแก่เองแกสืบทอดวิชามาจากฤาษีที่พบในป่าขณะที่ฤาษีกําลังจะตายเท่ายามูจึงยอมรับสืบทอดเพราะท่ายามูชอบศึกษาวิชาได้วิชามาแล้วจึงพบว่าเป็นเรื่องจริงท่ายามูหยิบเสือแกะจากไม้ทาสีอย่างดีในต่อทาด้วยท็บทิมสีแดงกับตะกรุดที่ภายในบรรจุหนังและผักเสือลงอกครับลุงเฉาจําได้แม่นว่าเป็นสายเดียวกับที่คล้องคอเสือ เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนพระเท่ายาหมูจะกลายร่างเป็นเสือในขณะที่สวมตะกรุดจึงมีตะกรุดคล้องติดคอเสือตะกรุดคือสิ่งที่ทําให้พระเท่ายาหมูยังมีความเป็นมนุษย์ในร่างของเสือโครงไม่สังหารมนุษย์นอกจากสัตว์ป่าเป็นอาหารผิดกับเสือสมิงเสือป่าจะไม่เข้ามารบกวนชาวบ้านที่มีเสืออาคมคอยดูแลอยู่พระเท่ายาหมูบอกกับลุงช้า ว, ว่าแกจะไม่ถ่ายทอดวิชานี้ต่อให้ใครให้ตายไปพร้อมกับตัวเองเท่ายาหมูยินดีขอบคุณลุงเชาที่ไม่หยิงแก ระหากหญิงแม้จะไม่เข้าก็อาจจะช้ำในตายเพราะแรงประทะกงหัวกระสุนลุงเช้าบอกว่าพระเห็นสายตะหลุดที่คล้องคอเสือจึงเอใจไม่ลั่นไกลุลงเช้าตายไปสิบกว่าปีแล้วเหลือแต่เพียงเรื่องราวเล่าขานที่ได้เล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องเสืออาคมที่ผิดแผกไปจากเรื่องเสือสมิงหรือเสืออาคมที่ผมได้เคยได้ยินได้ฟังมาครับแล้วเรื่องราวทั้งสามเรื่องก็จบลงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาแชร์เรื่องราวมาให้ผมได้ถ่ายทอดกัน